ตั้งทำกัน <c oughs> เราเรียนตามพ่อก่ อ, อกตามครูไม่ต้องส่บไม่ต้องสุ่มหามีสูตรเมื่เราเรียน วิชาศาสตร์ต่างๆมันมีสูตรข้อนิ้ศาสตร์ก็มีสูตรสองหนึ่งเป็นสองสองสอ ง, สอ ง, สองเป็นสี่เป็นสูตรสาเร็จเป็นอื่นไปเป็ น, ป น, ปนได้2 5หก็เป็นส0แต่ให้เป็นยี่สสามทไม่ได้สูตรบรรทุกต้อง ที่เราบเรียนภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคเหตุผลทวงคิดสมองเป็นภาคที่สัมผัสเอากายเอาใจไปสัมผัสกับความรู้สึกตัวตาต่อตามีหลงมีโลมาพร้อมกันมีโศกมีทุกข์ มาพ้องกันไม่มีเป็ดมะมีนอื่นมีโกรธมีไม่โกรธมีหลงมีไม่หลงมาพ้องกันมีเกิดมีไม่เกิดมีเจียมีไม่เจียมีเจ็บมีไม่เจ็บมีตายมีไม่ตายเป็นสูตรแบบนี้อย่าไปยอมเรามามีความรู้ก็ได้ความรู้ต่อการไปต่ออ่อ มันเป็นกรอบเป็นกรรมเป็นมรรคเป็นผลอยู่เราเคลื่อนไหวให้มันรู้เราเดินให้มันรู้เราคิดให้มันรู้ประหยัดประหยัดใช้ใจชีวิตเฉพาะเรื่อง้องรูเรียกว่าวิชากรรมฐานวิชาที่ตั้งฐานคือที่ตั้งกรรมคือการกระทําให้มีการกระทําให้มีที่ตั้ง อย่ากระชวยกระาจไปเป็นอรื่นตั้งฐานะไว้ก่อนเหมือนเราสร้างฐานะขยันประหยัดอดทนถ้าว่ารอดนักหนาวนักหิวนักเตยนักไม่ได้ถ้าว่าหิวนัก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 ใบหาจิน1ิบมันไม่มีฐานะเป็นเป็นอาฐานะการกรรมที่เป็นกรรมาฐานก็เช่นกันในหลักเดียวกันเราเรียกว่าสมรวมการใช้พิจะเพราะเรื่องเวลานี้ <c oughs> <c oughs> นีสติไปในกายนีสติไปในจิตใจ ให้กายให้รู้ใช้ใจให้รู้อย่าใช้กายให้หลงอย่าใช้ใจให้หลงเราใช้กายผิดประเภทเราใช้ใจผิดประเภทมานานแล้วหลงก็ยังใช้อยู่ทุกก็ยังใช้อยู่สุกก็ยังใช้อยู่โกรธก็ยังใช้อยู่ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจยังใช่กันอยู่เวลานี้เรามาต้องไปใช้ให้ใช้เป็นความรู้สึกตัว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 ไห้ตั้งไหนความดีอย่าเอานี้อใสเดิมๆ ม, มาใช่เคยคิดสลุยสุดล้ยหอบความล้ของความเขยดชังหอบความได้ความเสียมาไม่ต้องเอาเรียก ว, ว่าสลุยสุดลมายนอกาะเรื่องนี้เีย ว, ว่า กรรมฐ า, านวิชากรรมฐ า, านเป็นวิชาถักสิทธิ์อุทิศการกระทานี้ทําตามพระพุทธเจ้าสอนเรียกว่าอุทิศสลหันตังสมมาสมพุธทธังทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนอาน มีภาษาที่จมาทานคมสานอิมาหังพะกวาอัตตาภาวังอมหากังปริสัทชามิพระเจ้าปปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าอาศัยเลือดเนื้อชีวิตนี้อัตตาภาวังอมหากังเพื่อปฏิบัติ ต้อไม่แจ้ ง, งนิพพานัสมพันเตสัตจจิกรันถายะกั์มธานังเทหิจะทำให้แจ้งให้เกิดบากเกิดผลให้เลือดเนื้อเมื่อเอ็นกระดูกจะพูพังไปข้อตามจะไม่หยุดให้มันเข้มแข็งขนาดนั้นมีศรัทธาในความเพียร มีสติใจดีเมตตากุณาเป็นทุนศรัทธาเป็นทุนไว้เสมอไม่เหงาแท้งอัติยัยให้ลูกให้อดทนทันให้ใสให้มีความเพียรอย่ามักง่าย เวลามันหลงเขตดลาบให้มีความรู้ในความหลงนั่นอย่าให้หลงเป็นหลงไปหลายครัง้งหลายคราวหลงที่ใดรู้ที่นั่นมีนิสัยรู้อย่ามีนิสัยหลงเรียกว่าโมหะจริตมีนิสัยรู้ด้วพุทธจริต จริตเป็นพุทธะขึ้นมาโมหจริตจริตเป็นโมหะเป็นทางต่ําไปสู่พภพภูมิต่ําไปสู่นรกเปรตสุลกายสัตยรชานโมหจริตก็พุทธจริตไปสู่พุทธเจ้าเป็นพุทธะปิดอบายภูมิไปสู่มรรคผลนิพพานได้หั ให้ฉุดลองดูอยากํามันเดินใจชีวิตเป็นส่วนตัวจะลิกไปคนเดียว ปฏิบัติคนเดียวผิดถูกผิดแก่คนเดียวถูกทำคนเดียวไปก่อนไม้มีความชอบความสงบยินดีในความสงบสงบไม่ใช่สงบไม่รู้อะไรสงบจากสิ่งองื่นอยู่ในที่สงบมีสติ ผู้ใดมีสติจะอยู่ที่บ้านที่เมืองอยู่ที่ป่าที่ลุ่งที่ดอนที่นั่นเรียกว่าที่สงบที่ลื่นลมไม่ใช่อยู่เมืองอย่างหนึ่งอยู่ป่าอย่างหนึ่งอยู่ในที่สงบยินดีในที่สงบยินดีในความมีสติยินดีประหยัดเฉพาะเรื่องมีสติ มันอยู่ตรงนี้แน่นอนตั้งต้นจากุติก็โหนดกายให้มันรู้ไปในกายมันก็มีอยู่วิชากรรมฐานเป็นวิชาที่กรำหนอการทำฐานคือที่ตั้งไว้ให้มันรู้วามรูปแบบของกรรมฐาน เป็นการเคลื่อนไหวกย่ยาอนนุปจนามีสตีเป็นในกายไม่ใช่คิดเป็นการสัมผัสรูปแบบความมาฐานชตีประฐานทีทั้งหมดของชีวิตมีชตีประฐานทีทั้งนั้นแล้วจะจับบับพระตรงไหนเอากายบับพระเรียกว่าเอากายมาเคลื่อนไหว ลมหายใจก็เป็นบับพพะถ้าจิตที่มันคิดอ่ะจิตบับพพะให้มันรู้อย่าให้มันคิดฟรีๆไปดีคิดให้ไม่ได้ตั้งใจอถ้าไม่ตั้งใจไม่ต้องไปคิดเวลานี้ก็ไม่ควรตั้งใจคิดอย่างอื่นให้เหมือนการกระทํากรรมฐานตั้งใจให้มันรู้เท่านั้น สัมรวมลงแต่ชีวิตมามันกระจุยกระจ่ายเกินไปต่ชิดไหลก็ชิดได้มันผิดประเภทถ้าใจเหมือนมีดมันก็ใช่ผิดประเภทไปเสียความเป็นมีดใช้ไม่ได้แล้วใจบริสุทธิ์แต่เดิมเปืเป้อนไปไหลายๆอย่าง จนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบางทีได้เพื่อนอันอื่นมามันคี้ประเภทเราจะมาใช้ใจให้มันรู้คิดเึงใดประกอบด้วยเมตตามีสติมองอะไรแย่ดีเข้าใจ เรอย่าไปหาเรื่องที่คิดถ้าเป็นคิดมากๆในกรรมฐานก็เป็นจินตยานไปไม่ใช่กรรมฐานไม่ใช่วิปสชนาได้แต่เหตุแต่ผลได้แต่ความคิ ด, คดมีเหมือนกันจินตยานวิปปชนูเป็นกิเลสประเภทหนึ่งเหตุผลเต็มตัวแต่ถ้าไม่เป็น รู้ว า, วามโกรธไม่ดีผมทุกข์ไม่ดีอ น, นั่นตอบได้แล้วแต่ยังโกรธยังทุกข์มันเป็นกิจยานมันเกิดจากเหตุผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่เหตุผลสัมผัสทุกข์ก็เป็นทุกข์ไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ทุกข์ไม่เป็นธรรมผมไม่ทุกข์เป็นธรรม เป็นการตอบเองเป็นปัจจิตตังไม่ต้องถามใครโกรธไม่เป็นธรรมไม่โกรธเป็นธรรมหลงไม่เป็นธรรมไม่หลงเป็นธรรมสัมผัสดูเป็นการสัมผัสเอาเป็นปัจจัตตังไม่มีคําถามไม่แต่คำตอบนี่เรียว่าปรมัตถสภาวัธรรมผมหลงเป็นสมมติอมไม่หลงเป็นปรมตาจึงขวากัน ความทุกข์เป็นสมมุติความไม่ทุกข์เป็นปรมตัติตมันจริงกับกันความโกรธเป็นสมมุติความไม่โกรธเป็นปรมตัติตมันมีเท็จมีจริงอย่างนี้ชีวิตเราต้องใช่ไหมยอมชัดเจนแบบนี้อย่าโผลป่ปกันไปมันก็หลงทิศหลงทางไปเสร็จแล้ว ถ้ามันหลงมันก็เกิดเจ็บเจ็บตายเกิดดับเกิดดั บ, ดบกรรมาฐานนี่มันเป็นมักเป็นผลมันหลงรู่เป็นผลหลงเป็นหลงเป็นเหตุรู่เป็นผล เช่นทุกเน่ยมันเป็นผลโดยมันหลงก่อนจึงทุกเหตุจริงๆมาอยู่ที่หลงนี่แหละเป็นบิดามารดาของขอมชั่วขอมหลงเนี่ยมีไม่มากรวมลูกเป็นบิดามารดาของขอมดีมีไม่มากตั้งต้นตรงนี้เหยียบเชินทางให้ถูกแม่มาเกิดที่เดียว แต่จะมันไปคนละทางเหมือนทางสี่แพ่งห้าแพ่งสามแพ่งแยกกันตรงที่ต้นทางแต่มันหมายปลายทางมันมันไปทวนอทิตแ์ละทางไม่ถึงสุดตรงว่างตันบ้างไม่ถึงกุดหมายปลายทางจึงก้าวแรกให้ถูกเปลี่ยนหลงเป็นลูกเป็นก้าวแรก ถ้าไม่ก้าวแรกไม่ก้าวที่สองก็ไม่มีถ้าก็าวแรกผิดก้าวที่สองก็ผิดเหมือนปิดกระดุมปิดกระดุมผิดลูกแรกลูกที่สองก็ผิดถ้าไม่ผิดลูกแรกลูกทสงก็ไม่ผิดมันไม่ยากเหตุประโยชน์ที่หลงนี่แหละจะทําไง ไม่ต้องไม่ต้องอ้อนวอนกรททาลงไปเลยศาสตานี่ไม่ใช่ศาสนา้าอ้อนวอนเป็ศาสนา์แห่งการกระทาจริงๆจำอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีอย่างนี้นี่หรือว่าอยู่ตรงนี้เรามรู้สึกตัวเนี่ยเป็น เป็นการตรงเป็นการตรงเหตุผลไม่ตรงสุกทุกไม่ตรงัอใจก็ไม่ตรงไม่พอใจไม่ตรงมันตรงที่มันรูเนี่ยน่าจะเป็นตัวเหี้ยเหี้ยอยู่ในรูรูมันมีทางออกทางเข้าหก หกลูปิดเสือลูทั้งหมดขุดตามลูเดียวคือลูนีไปจะจับตัวเหี้ยได้เหี้ยคือว่าไม่ดีลูเล่เข้าไปลูไปนันเหตุนันผลเอาไว้ก่อนว่าแต่สร้างตัวลูเข้าไปปฏิบัตริตรงแล้ว นี่คือมันหลงรูปตรงที่สุดก็มาฐานเบื้องต้นจะเจอต่อหน้าต่อตาสองอย่างนี่แหละมันรูปมันหลงไม่มีใครไม่มีใครไม่เห็นตรงนี้เราเจตนาที่ตั้งไว้ที่กายเคลื่อนไว้สิบสีจังหวะพี่ดายทีหนึง่งรูปทีหนึง่งสิบสี่รูปสิบี่จังหวะแต่มันไม่รูปทุกจังหวะมันหลงมันแหละเปลี่ยนหลงอ่ะเป็นรูป เอาเลยที่เกิดอะไรก็เกิดอะไรก็อยู่ตรงนี้เรียกว่ากรรมฐานเมื่อมันรุ่ง ม, มากๆในความหลงลุ่งมากมันก็เปลี่ยนอาจจะเป็นความหลงครับสุดท้ายถ้าไม่มีความหลงก็ไม่มีความโกรธไม่มีความทุกข์กาทุกข์ก็เถือนไปถึงโทสะโม ห, หะแล้วครับจิตนี้เฉยไปเลย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 เรานั่งอยู่นี้รู้กันมาทั้งหมดจบมาทั้งนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของสารสนุกเป็นเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆรู้มามากแต่ไม่เป็นทำไม่เป็นมหัสให้มันเป็นนี่เป็นกรรมาฐานพวกเราอำนวยความสะดวกให้พวกเราได้ทำเรื่องนี้กัน ตามต้งไวแจกทำแจกกำลังแจ่หน้าที่ของเราชวนก่อนให้มีสติี่อย่าท่าทางมีสติอย่ามีขี่อย่าท่าทางในความหลงอยู่หน้ารู้ตาก็ท่าทางในความรู้ ดูหน้าดูตาถ้าทานในความหลงก็มีปฏิบัติท ร, ร ม, มันทีหน้าดำาข้าคเคียดพอไปถามดูก็จริงมันเครียดมันคิดมากมันง่วงนอนไม่มีสีสันไม่ชื่นบานมันยากเอายากเอาง่ายเอาผิดเอาถูกเอา น, นั่นทำไมถูกสติมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ง่าย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 มันผิดเห็นมันผิดไม่เป็นผู้ผิดมันก็ลบเหลือนี่ซมแล้วโซมที่มันผิดมีรอยความผิดมีรอยความถูกมันโซมแล้วมันก็เป็นอย่างนี้กรรมฐานเนะมันทันทีไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับวิชากรรมฐาน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 ปัจจุบันมันผิดประเภทอนาคตก็มาอยู่ปัจจุบันมันผิดประเภทจับสนมุ่นวายหมดไม่เป็นระเบียบของการใช้ชีวิตเฮเลนอน่ะเรื่องมาคิดนั่นก็ผิดผู้คนหนุ่มคิดไปข้างหน้าคนเชืราคิดคืนข้างหลังมันก็ผิดทิ้งปัจจุบันหมดเลยมันจะเป็นอดีตเป็นอนาคตมันก็ต้องเป็นปัจจุบันเช่นก่อน ก็ปัจจุบันไม่มีที่ตั้งมันก็ไม่ไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตความดีก็มีไต้ยากละความชั่วก็มี้ตยากมันต้องละเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยคือของจริงเลนะทำได้ทุกอย่างมันหลงเปลี่ยนหลงไปรูปปัจจุบันเนี่ยถ้ารูปอยู่วันนี้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าก็รูปถ้าหลงอยู่ชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าก็รูปก็ห ล, ลง ชั่วโมงหน้าต่อไปเราไปถึงชั่วโมงหน้าก็เป็นอดีตไปแล้วต้องอดีตทั้องอนาคตก็มีแต่หลงก็งมีถ้าไม่มีปัจจุบันน่ะนี่คือความจริงของชีวิตจึงหาวิธีที่จะตั้งไว้ให้เป็นนิมิตเอวาัายวะเป็นนิมิตตั้งไว้มันจะไปไหนอ่ะมันอยู่ที่นี่ให้มั่นใจตรงนี้ มันจะคิดไปไหนกลับมาลูวมันทุกแง่ทุกโพมันจะสุกทุกก็เห็นมันตามวิชากรรมฐานกา ย, ยานุปจนนาสติปัฏฐานมีสติเห็นกายอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายก็จัดตะว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขานั่น่ะผู้เจ้าเฉลยให้แล้วยอดเยี่ยมแล้วไม่ต้องไปสูมหาเหตุผลนับชิดอะไร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 แล้วก็หัดไปก่อนเหมือนกับสติอยุดกายเคลื่อนไหวรู้แขนเข้าออรู้สึกเหยียดแขนออกรู้สึกเหมือนกับเรียน ก, ไกยยอไ ก, ก่หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกเหมือนกับเลียนกอไก่อยู่ในกระ ด, ดานเห็นกอไก่ก็แขนกอไก่ติดตามันมีเลนมันมี คอมพิวเตอร์ในชีวิตเราเนี่ยมันเป็นสัญญามันเป็นวิญญาณมันติดได้มันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณในขันธ์ห้าในธาตุสี่ขันธ์ห้ามันติดแต่เราจะให้สัญญาอะไรมันติดป่ะบางทีว่าติดหลักาจลิตถึงติดโทสะจลิตใช่มากเกินไปก็ติดไปทางนั้นมันสัญญาแบบนั้น เป็นเปรตมันก็เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสุรกายเป็นรรแบบสันนิโรธก็ดิลกเดรดิฉานก็ดีฉาดโง่มันหลงก็โง่ในความหลงนั่นมันโกรธก็โง่ในความโกรธนั่นไม่อายใครมันทุกข์ก็โง่ในความทุกข์นั่นหรือสุรกายอสุรกายคือมันไม่พัฒนาหลงจนตายโกรธจนตายทุกข์จนตายไม่ใช่อสุรกายเป็น ลักษณะของสัตว์มนุษย์สาริรัตข้านูนักตาล่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตเปัญญาณเป็นอสุโลกายไม่อายในความหลงไม่อายในความโกรธไม่อายในความทุกข์เอาไปอวดกันได้ดื้อด้านเหมือนสัตว์ตามๆความหลงปรปเหตุก็ไม่รู้จักอิ่มหิวอยู่บกพ้องอยู่เป็นนิด หิวลูกหิวลดหิวกลิ่นหิวเสียงกินห่อมบอมผมจอกพอกมันหิวทางจิตปัญญาณน่ะมันเป็นผู้ภูมิหนแลเราจึงมีสติมันจะรู้ลหลอกปิดได้แน่นอนพวกูมอบายะภูมิภูมิมนต่ำเนี่ยหลงเป็นผู้หลงไปทางต่ำเวลามันหลงรู้ไปทางสูงแบบเนี้ย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 มันก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยวผมมจนไม่ต้องกวนผมของพ่อหลองผมมจบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในชีวิตของเราเนี่ยถ้าไปเป็นก็เปิดเพืเ่อนไม่ชื่ว่าผมมจนภิกษุคุนคิดในลมที่คุณคิดเป็นหลาค้าจลิตเป็น เจ้าชลิตไม่รู้จักสลัดความคิดออกถือว่าไม่ใช่สํานักอ้างตนว่าเป็นสนาําลักไม่ใช่ผวกพืชพรหมจรรย์อ้างตนว่าผัวพืชผู้ผัพืชพรหมจรรย์เธอร์คุ้นชิดในลมที่คุ้นชิดไม่รู้จักสติไม่มีสติไม่สลัดความคิดออกสินงองเธอทะลุแล้วสินงองเธอด่างแล้วพ้อยแล้วส่วนที่สุดใดคุ้นชิด แม่คิดใดคุณคิดในลมที่คุณคิดเธอมีสติจัดความคิดออกถือว่าศินของเธอเธอว่าถือว่าเธอรักษาศินแล้วเธอมีศินแล้วบริสุทธิ์แล้วไม่ใช่ปานาติปาตาเวร า, าเีจิกาปะทภังไม่ใช่สมาทานไม่ใช่ศินแบบนั้นศินฉิกขาศินจะหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูเป็นสินละ เปลี่ยนโกรธเป็นรู้เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้นี่แหละศีลนะ่ะนั้นจะบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆไปเราเป็นยังไงชืวิตของเรามาถึงวันนี้มันหลงหรือว่ามันรู้มากกว่ากันน่ะถ้าหลงก็ไม่เป็นธรรมละ่ะเราก็พึ่งตัวเองไม่ได้หนีใจก็พึ่งใจไม่ได้นะจึงมาหัดเนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้ เท่าที่ทําได้ให้ทุกคนเป็นคู่ที่ดูแลตัวเองมันก็จบไปง่ายการใช้ชีวิตก็เดียบง่ายขึ้นเราเคยใช้ชีวิตแบบบริการเรียกร้องการบริการ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 คนอื่นยืนก็แย่งของมันแต่เราจองแล้วคนรถก็บอกว่าเขาจองทั้งสองที่แล้วอย่าไปแย่งเขาแล้วก็มีสิทธิแบบลั้นไม่รู้จักบริการตัวเองใช้ชีวิตให้มันง่ายๆอย่าไปเรียกร้องการบริการสะดวกเกินไปความทุกข์ความยากทําเราเข้มแข็งความสะดวกทําเราอ่อนแอได้ สู้มันเหนื่อยเห็นมันเหนื่อยทนสักหน่อยความอดทนเป็นเครื่องเผาเลีดอย่างยิ่งมันจะต้องมีแน่นอนความอดทนในเขาที่เราปฏิบัติเหมือนพระชิตตั้งชัชจะอธิษฐานในวันตัจจรูแม่เลือดเงื่อเงือกระดูกแกวผูกพังไระดูตาม เราจเจ้าจะไม่ท่อถอยในเรื่องนี้มันจะพังไปก็ตามกระดูเนื้อมันจะเหงือดแห้งลงโอ้ดาวมันแก่ก้าขนาดนั้นแล้วตั้งทั้งที่เป็นเจ้าฟ้าชา ย, ยุประสาทสามฤดูมาตั้งในต้นสีมหาโพนะ่ะมันจะขนาดไหนสูม 4, สีม่มห้าแบ่ จนเกิดงานอะไรหลายอย่างกิเลสมานขันธะบานมัจจมานสังข า, มา ร, รมานเทวบุรตมานขามมากเพราะหลงคิดถึงเพิมพาก็คิดคิดถึงลาหนก็คิดคิดถึงประสาทสารรดูก็คิด คิดถึงความตายก็คิดไม่เคยใช้ชีวิตแบบนี้คิดถึงความสะดวกสบายเสาสนมกำนันในก็คิดคิดถึงพระราชาทรัพย์สินแสดงการก็คิดคิดถึงพระเจ้าจากักรพรรดิก็คิดและอยู่คนเดียวมีหญ้าคาห้ากำมือปูนั่งใต้ต้นไม้ เอาย่อมจะเปรียบเทียบกับโลไม่ได้เลยเจ้าเรานี่ยอาศัยสงฆ์แท้ๆพระเจ้าได้สร้างไว้ให้เราเม่ข้าวจินจากจากพระพุทธเจ้าเราไม่ผ้านุ่งห่มก็ได้จากพระพุทธเจ้าเราได้ที่อยู่อาศัยก็ได้จากพระพุทธเจ้าจึงสะดวกเพื่อทําการนี่ลองดูมันไม่ยากนี่ประเทศไทย พุทธศาสนาในประเทศไทยมีวัดว่าอารามมีพระสงฆ์มีตัวมีตนและมีคำสอนจริงๆ <c oughs> ไปเอาอะไรมาต่อรองอีก้องดูมันหลงมันลู้มีไหมมันต้องเจอแน่นอนภูเขาลูกแรกก้าแรกตัวเจอความหลงนี่แหละเจอความโ่งเหาหอ น, อน เจอความคิด่งซ่อนเจอราคาพยาบาทมันติดมามันเป็นบิน ญ, ญาณมันติดมาเราใช่ผิดเจอเรื่องทำไมรู้นะนะั่นล่ะรู้แต่เพือพ่อเพื่อแต่ว่าที่รู้อย่างเดียวเนี่ยรู้แต่เพือ่อเพื่อไปมั่นล่อนก็รู้ ไม่เป็นผู้ร้อนมันเหนื่อยก็รู้ไม่เป็นผู้หน่อยก็จะเหนือไปเหนื้อไปเหนื้อไปเหนื้อไ ป, อไปมันก็เป็นละความชั่วก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเกิดขึ้นขณะที่เราหัดตนสอนตนอย่างเนี้ยฝึกตนคนเดียวอย่างเนี้ยไม่มีใครขอร้องไม่มใครช่วยกันได้แต่ว่าท่านหลงท่านก็เปลี่ยนหลงเป็นรู้เอง ตัวท่านทุกข์ท่านกะเตียนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เองตัวไขตัวมันช่วยกันมาไดป้ปฏิบัติด้วยปฏิบัติด้วยตนเองพระเจ้าก็บอกแล้วตัดไปดีแล้วแม่หมีความหลงมันในความรู้อยู่ตัดไว้อย่างนี้พระธรรมมันพระผู้มีพระเจ้าตัดไว้ดีแล้ว ผู้บาดเจ็บ ต, ต้องทําด้วยตนเองหลงเองเปลี่ยนหลงเอาเองทุกเองเปลี่ยนทุกเอาเองก็ร้องพ่อแม่ครูอาจารย์ไปช่วยก็ไม่ได้อาจารย์ฉันหลงแล้วมาช่วยฉันหน่อยฉันทุกข์แล้วมาช่วยฉันหน่อยไม่ได้ต้องเปลี่ยนเองการเปลี่ยนหลงเป็นลูกก็ไม่ยากเหนื่อไม่ไหลไล ย, ยุงยากกว่าต้องเอามือไปไล่ต้องเอาผ้าไปวีไปปัด เปลี่ยนหลงเป็นลู้นี่ ง, างา่ายๆเบาบางถูกต้องที่สุดเลยถ้าจะขยันไดหลงไปสองนาทีสามนาทีสิบสจังหวะหลงไปเสียจนสิบจังหวะลู้เพียงสองังหวะมันก็มันจะมีมากได้ไงให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเบาหวานหลงไปเพื่อนไหวที่ใดลู้หลงไป ด้วยความสดชื่นยิบเพียมแจ่มใสยอย่าทำอะไรแบบยุ่งยากมันยากมันง่ายไม่ไ ม, ไม่ชอบไม่ชอบไปกันใหญ่เราบางทีเกิดยานหอบเสือหอบเฝากับบ้านมันยิ่งใหญ่นะอเนี่ยมันหอบพิชีวิตเราไปได้นี่เหมือนกันมาอยู่เพียงนิดนดหน่อยหอบบาดกับบ้านก็มี บางทีอะไรมาตลดองเคยมีพระหมาจากภาคใต้มาอยู่เนี่ยสามเดือนจำมรรษาโตออกพษาแล้วไปเลยบอกว่าเสียเวลาอยู่ไดอยู่ว่าสามเดือนมีเงินเป็นหลายหมื่นในอยู่นี่สามเดือนไม่มีเงินจักบาด <laughs> อเอาเงินเอาออยที่เหล็กกับเล่ามาต่อรองจะแล้วเอาเหตุเอาผลมาต่อรองมันจะได้อะไระสูาเสายสูญเสยสูญเยกรรมฐานคือการกระทำต้องเข้มแข็งมาอยาต่อรองออ ก็ไม่เอาถ้าถูกก็เอาโชคถ้าทุกไม่เอาถ้าไม่ทุกเอาถ้ายากก็ไปสู้ถ้าง่ายก็เอาอยู่บางทีมันต่อรองมาจากบ้านแล้วจะทําได้หรือเปล่ากลัวจะทําไม่ได้ไปเอาได้เอาไม่ได้มาต่อรองพอมันไม่ได้ก็อ๋อน้อยเนื้อตามใจหลตาเคยเคยคิดแบบนี้สมัยไปปฏิบัติหลวงพ่อเทียนเจ็ดสิบกว่าปีมา อยากรูปวนรูปบาปควตุรงโลกอยากได้สวรรค์ น, นิพพานจะทำได้ไหมนอะเนาะควรบาป่ามาปฏิบัติก็เอาความได้ความไม่ได้ไปต่อรองเวลาปฏิบัติก็มไม่รู้อะไรนีติเหตุผลเต็มตัวตัวเองก็ได้ศึกษามา ชากรรมฐานพอมาเจอแบบกรรมฐานไ่ก็ไม่ค่อยชอบเราเคยทำแบบอนาปาณสติอายใเจเข้าขมันท้าทางดีกว่าหอยุกมือเคลื่อนไหวก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยชอบบางทีต้องอายคนนันก็ทำให้คนเห็นเราทำกรรมฐานก็ไปอยู่ในห้องกติปิดประตู เปิดประตูทำในห้องหลวงพอเทียนเดินไปอาจจะหลวงพ่อเทียนเห็นเราเปิดประตูทุกวันนะไม่เห็นนั่งสร้างจังหวะหลวงพอเทียนก็เดินไปทำอะไรอยู่ก็บอนั่งสร้างนั่งทำความเพียรอยู่เห็นข้างนอกไหมไม่เห็นเห็นข้าแต่ข้างใน ถ้าจะเห็นข้างนอกก็ต้องทํำยังไงต้องเปิดประตูออกลองเปิดประตูออกมาดูซิพเปิดประตูออกหลวงพ่อก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหมเห็นข้างในไหมเห็นทั้งข้างนอกหลวงพอ่อเห็นทั้งข้างในมันเป็นอย่างนี้ถ้าจะทําความเพียรก็ ถ้าปิดประตูก็นว่านอนไม่กล้าจะถามถ้าทํทำความเพียนก็อาจจะเห็นบ้างเดินจังกรมบ้างนั่งสร้างจังหวะบ้างพอจะได้ถามกันได้ถ้าปิดประตูมันก็คิดว่านอนเช่ไอาจจะถือว่ารบกวนก็ไม่กล้าเลยมันก็อายอนะ่ะใช่ไหมอายไหมอะไรอย่างเงี้ย อะไรเนี่ยมันเอาได้เอาไม่ได้เราลองอยู่เลยจนหลายวันก็ไม่รู้อะไรเนนน้อยมาถามอ้ายอ้ายอ้ายเจ้าลูบลูบลูน้ำบ่โอ้ยไม่รู้เราเนีนเลยโอ้ยค่อยปฏิบัติห้าวันรู้จักลูบน้ำเราละโอ้ยเสียใจอาจารยเราเนี่หละม้าไม่รู้อะไรนะ มันก็ชิดแไปแม่ไม่รู้เอารู้เอาไม่รู้เลยตอนอื่นเขารู้ห้าวันสามวันเขารู้รูปรูปน้ําเราไม่รู้เลยเนนน้อยอธิบายรูปรน้ำไม่ฟังรูปไปอย่างนี้น้ําเป็นอย่างนี้เทศได้เจ้าจะโอ้ยอยากกราบเท่าเนนหน่อยก็เลยบอกพอแล้วเนนพอแล้วไอ่จะทําเองแต่หมายก่อนเป็นโยมนะไอ่ทําเองดอกเนนน้อยเขายังรู้เราทั้งโลก มันก็เอาได้ไม่ได้มันก็อยู่ตรงนั้นหมกมุ่นอยู่นั่นไม่ที่ทําชื่อซื่อสติมันชื่อซื่อนันหลงรู้ชื่อซื่ออย่านี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วมันรู้ชื่อซื่อรู้ชื่อซื่อเหมือนสุกก็รู้ชื่อซื่อมันทุกก็รู้ชื่อซื่อมันผิดก็รู้ชื่อซื่อรู้แล้วว่ารู้มันสุดยอดแล้วจบแล้วแล้วมันหลงรู้มันจบแล้วความหลงจบไปแล้วทําไมจึงหลง มันอะไรมันหลงข้ออะไรอะไรมันก็ล้นหลับแบบเหมือนกับ น, นกกับไม้มันนกปินออกไปไปรูลอยนกมันไม่มีโดยความหลงหลอยความกดมันไม่ถ้ามันรู้มันก็จบไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วอย่างนี้จะมีอาจารย์แม่ไก่คอยดูแลอาจารย์สงศิณอาจารย์อยู่นี่สอนได้ทั้งหมดไม่ต้องกังวล จะไม่พลาหลงทิศหลงทางแน่นอนในกรรมฐานเนี่ยก็ให้เชื่อฟังกันว่มามันหลงรู้อย่างแน่เดียดื้อึงเอาใจใจตัวเองเท็นภาระต่อเราทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็จะบอกจะสอนท่านท่านก็ต้องเชื่อฟังเชื่อฟังในความดีเราบอกว่าหลงไม่ถูกต้องรู้ถูกต้องกลัว โอดไม่ถูกต้องไม่กวดถูกต้องขวทุกไม่ถูกต้องไม่ทุกถูกต้องขวมันเป็นอย่างนี้พ้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนหลงเป็นลูกให้ลูกไปมากๆลูกไปมากๆทำตัวลูกมากๆทาเบื้องต้นก็ลูบสึกตัวท้าที่ท่ามกลางก็ลูบสึกตัวที่สุดถึงมากถึงกวนก็เคยคงลูบตัวจากพระเจ้าสู่ปิพันธ์แล้วขอ เพราะเละสุขเสียได้เพราะเราทุกข์เสียได้เพราะลาสุขเสียได้เพราะเราสุกขทุกข์เสียได้จิตเป็นเอกมีสติแล้วแลยอยู่มีสติแล้วอยู่เหนือการเกิดเจ็บตายเป็นอย่างนี้ไม่ได้เจ็บพอเจ็บเห็นมันเจ็บมีสตินี่แหละวิธีเข้าถึงเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายมันอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นนี่ไปตามกลางที่สุด ดูชะดีตั้นั้นสมควรเจ้เวลาจัดพ อ, พอมกัน